อุปสมบทด้วยยติจตุตกรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราห้ามการอุปสมบทด้วยไตรสรนคมที่เราได้อนุญาตไว้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทด้วยยติจตุตกรรม